ข้อต่อไปพิกษุเป็นผู้สมควญเนี่ยนะองค์ที่เป็นเหตุให้พระพิสูจเจริญงอกงามในพระศาสนาก็คือรู้จักสมควนถามว่าเป็นอย่างไรบอกว่าพิสูจน์ในศาสนานี้สา ม, มารถแสดงธรรมตามที่ตนได้ฟังได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารเนี่ยนะเรียกว่าป้องกันอันตรายเรียกว่าสมควนก็คือสา ม, มารถที่จะแสดงธรรมให้ผู้อื่นเขาฟังเพราะฉะนั้นผู้พวก สิ่งที่เป็นอันตรายทั้งหลายก็ไม่ไม่เข้ามาเพราะอะไรเพราะเป็นการแสดงธรรมให้กับคารวะฟังเขาก็ช่วยปกป้องคุ้มครองช่วยปกปกักรักษาให้นะนะต่อไปภิกษุเป็นผู้รู้จักท่ารู้จักท่าก็คือท่าหมายาว่าที่พึ่งที่อาศัยเนี่ยนะบอกว่าภิกษุในาศาสนานี้เข้าไปหาและไต่าถามไล่เลียงสอบถามภิกษุทั้งหลายผู้เรียนพุทธวจนะไว้มาก น, นะ แสดงว่ารู้จักสอบถามเน่ถามพระวินัยกับผู้ที่เชี่ยวชาญในพระวินยัยถามพระอภิธรรมเป็นต้นในผู้ที่เชี่ยวชาญในพระอภิธรรมขเข้าไปหาผู้ที่ทรงพระพุทธวจนะเรียนพุทธวจนะคนที่รู้หลักทรงธรรมทรงวินยัยทรงมาติกาสอบถามว่าภาสิทธินี้เป็นอย่างไรเนื้อหาสาระของภาสิทธินี้เป็นอย่างไรพาสิทธินี้พระพุทธเจ้าสแสดงเพื่ออะไรสะแสดงทําไมเป็นต้นเนี่ยนะ เพรนั้นก็เรียกว่ารู้ระยะเวลาเวลาไหนควรสอบถามพระวินยัยเวลาไหนควรสอบถามพระสูตรสอบถามพระพิธรรมเป็นต้นเธอผู้มีอายุหรือครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้มีความสามารถเหล่านั้นก็จะช่วยกันเปิดเผยข้อความที่ยังลี้ลับเนี่ยนะคือเรียกว่าข้อที่เข้าใจ ย, ยากทําข้อความที่เข้าใจ ย, ยากที่ลึกซึ้งให้ตื้นเนี่ยนะเรียกว่าทำของยากให้กลายเป็นของง่ายทำของที่ไม่เข้าใจให้ เข้าใจบรรเทาความสงสัยในธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยก็จะไม่หวาดไม่หวันไม่ระแวงไม่หวันไม่ผาวาซึ่งเธอก็จะเข้าใจและสามารถที่จะถือเอากุศลธรรมให้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นต่อไปอันนี้เรียกว่ารู้จักท่าหมายคำว่ารู้จักที่เพิ่งอาศัยเนี่ยนะนนรู้จักถ้าพูดแบบภาษาค้าขายก็เรียกว่ามี มีอะไรมีผู้ที่อุปธรรมค่อนข้างดีงนะมีผู้อุปธรรมนี้ก็เหมือนการพิสูจน์ที่จะเจริญงอกงามในศาสนาต้องมีที่พึ่งพิงอาศัยค่อนข้างหลากหลายแล้วก็มากด้วยโดยเฉพาะผู้ที่ทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาเชี่ยวชาญแตกฉานในคําสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้ข้อต่อไปข้อ7เนี่ยนะองค์ของพระพิสูจน์ที่จะเจริญงอกงามในพระศาสนาก็คือเป็นผู้รู้จักดื่มคําว่ารู้จักดื่มไม่รู้จักดื่มอย่างไร ภิกษุในศาสนานี้เมื่อผู้อื่นกล่าวทำกล่าววิไนที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วนะมีความตั้งอกตั้งใจที่จะฟังมีความรู้ความเข้าใจในคําสอนที่พระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยนะหรือผู้อื่นเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาแสดงก็จะได้ความรู้อัตรู้ธรรมได้ครับความปราโมทที่ประกอบด้วยธรรมนั่นนะคืออันนี้นี่ก็เป็นข้อสําคัญว่า คนที่จะเจริญในพระศาสนาอันหนึ่งเลยเนี่ยต้องมีความสุขในการฟังธรรมถ้าไม่มีความสุขในการฟังธรรมจะต้องมีความสุขในการอ่านพระธรรมต้องหาความสุขตรงนี้ให้ได้นะถ้าอ่านพระธรรมก็ไม่มีความสุขฟังพระธรรมก็ไม่มีความสุขคิดไว้เลยก็เหมือนกับคนที่ไม่เคยดื่มน้ําเนี่ยชีวิตเป็นยังไงอ่ะ เกิดมาไม่ได้ดื่มน้ําเลยเนี่ยนะมันจะกระหายคอมันคงแห้งเลยนะักเรียนเนาะคอมันคงแห้งผากเลยถ้าไม่มีอ่างก็ไม่มีความสุขฟังก็ไม่มีความสุขเรียนก็ไม่มีความสุขบอกสอนเป็นต้นก็ไม่มีความสุขแหมมันทุกบอกไม่ถูกว่างั้นนะ่ะนะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ดื่มน้ําคือหมายความว่าไม่ได้ ความรู้อักรู้ธรรมความปีติปราโม์ความปราบปลื้มใจในการฟังธรรมการอ่านพระธรรมเป็นต้นเนี่ยนะอันหนึ่งเลยนะที่สังเกตดูว่าคนเนี่ยจะเรียนธรรมะได้ยืดหรือไม่ยืดหนึ่งฟังธรรมแล้วมีความสุขไหมสองหรือมีความสุขในการอ่านถ้าอ่านก็เครียดฟังก็ไม่รู้เรื่องถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เลิกกับเพียงแต่ว่ารอเหตุผลอธิบายได้ซะก่อนว่า ทำไมจึงเลิกแค่นั้นเองเนี่ยอ้างโน่นอ้างนี่จริงก็ไม่อยากเรียนอยู่แล้วละว่างั้นอนะ่ะก็เลยเลิกเลยเนี่ยนะอันนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้ามีความสุขในการอ่านบ้างอ่านพระไตรปิฎกนะมีความสุขในการฟังก็แสดงว่าเขาจักเจริญแน่นอนต่อไปในอนาคตเนี่ยนะเพราะเขาได้ดื่มเนี่ยนะก็เหมือนกับคนได้ดื่มได้กินอ่ะนะก็สามารถที่จะเจริญฉันนั้นส่วนข้อต่อไปบอกว่าภิกษุเป็นผู้ฉลาดในโคจรฉลาดในโคจรก็คือ ภิกษุในศาสนาขรู้จักทางอ่ะนะข้อดบอกว่าภิกษุองค์ที่เป็นเหตุให้ภิกษุเจริญงองกงามในธรรมวินัยก็คือรู้จักทางคือรู้จักอริยมรรคอันประกอบไปด้วย อ, องค์แปดซึ่งเป็นทางของ สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นทางอันประเสริฐเนี่ยนะก็แสดงว่าจำเนกแยกแยะรู้ว่าอะไรเป็นทางแห่งโลกิยะอะไรเป็นทางแห่งโลกุตระอะไรเป็นทางให้เกิดในครันเกิดในไข่อะไรเป็นทางทําให้เกิดในเท่าใครอะไรเป็นทางให้เกิดเป็นโอปปาติกะอะไรเป็นทางให้พ้นจากคติพ้นจากกําเนิดพ้นจากพบหรือทางอันนั้นก็ได้แก่ทางอันประกอบไปด้วยองค์8ถ้ารอบรู้ทางอันประกอบไปด้วยองค์8ดก็สามารถปฏิบัติ ตามทางอันนี้ก็บรรลุมรคผลนิพพานได้อย่างแน่นอนข้อต่อไปองค์ที่เป็นเหตุให้พิสูจน์เจริญงอกงามในธรรมวินัยนี้ข้อ9ก้าก็คือเป็นผู้ฉลาดในโคจรเนี่ยนะโคจรก็คือเรียกว่าเที่ยวไปในสติปัฏฐานเนี่ยนะโคจรไปในสติปัฏฐานทั้งสตามความเป็นจริงเนี่ยนะ โคจรไปในกายานุปัสนาสติปทานมานัสการโดยความเป็นอสุภาพเป็นต้นโคจรไปในเวทนานุปัสนาสติปทานมานัสการโดยเป็นทุกข์เป็นต้นโคจรเนี่ยนะมานัสการไปในสติปทานอนนัในจิตานุปัสนาสติปทานโดยความเป็นอนิจจังมานัสการในธรรมานุปัสนาสติปทานโดยความเป็นอนัตตา นิวรทั้งหลายควรละโพชงควรเจริญขันอายตนะควรกําหนดพิจิตรพิจารณาใครควรให้รอบคอบแล้วก็อริยมรรคทั้งหลายควรควรเจริญเนี่ยนะทุกควรกําหนดรู้สมุทยัยควรละนิโรธควรทําให้แจ้งอั้นเมื่อโคจรไปในสติประธานโคจรไปในสัมมติประธานอิทธิบาทอินทรีย์ภละโพชงและองค์มรรคเรียกว่าโคจรไปในวิสัยของผ้าเรียเจ้าทั้งหลายก็จะประสบแต่ความเจริญอันนี้เป็นองค์ที่ ภิกษุผู้จะเจริญในพระศาสนานี้จะต้องรู้จักว่าโคจรในพระศาสนานี้เป็นอย่างไรอะไรชื่อว่าวิสัยทางดําเนินของบิดาของเราคือพระพุทธเจ้าและข้อต่อไปก็คือองค์ที่สิบเนี่ยนะเป็นเหตุให้เจริญนะเป็นผู้รีดมีส่วนเหลืออธิบายว่าเป็นอย่างไรครห บ, บดีทั้งหลายผู้มีศรัทธาเนี่ยนะมาปวารณาคือเชื้อเชิญภิกษุในศาสนานี้ให้เลือกรับ เช่นเขามาปรวรณาปัจจัย4ี่เนี่ยนะเลือกให้เลือกรับจีวอนบินทบาทเนาสนาสนักิฬานะปัจจัยเภศัชบริหารเนี่ยการที่เขาปรวรณาเช่นนั้นเธอรู้จักประมาณเพื่อจะรับปัจจัย4รู้ประมาณที่จะรับจีวอนเนี่ยนะรู้ว่าแค่ไหนจึงจะเหมาะสมและสมควรแค่ไหนเอ่อที่จะรับอาหารบิณทบาทที่อยู่อาศัยอยู่ยารักษาโรคไม่รีดซะเขาหมดตัวเนี่ยนะ คือบางทีก็ลักษณะนั้นเหมือนกันเนี่ยนะพระพิสุที่ไม่รู้จักประมาณในการรับเนี่ยมันก่อนโยมเขามาเล่าให้ฟังโยมเขามาเล่าว่าผมเนี่ยเข้าไปหาพระรูปหนึ่งเขาถามผมเลยผมทําธุรกิจอะไรผมมีบัญชีเงินฝากเท่าไหร่เนี่ยนะโอ้โหมาเจาะลึกขนาดนั้นบอกว่าเามาไม่เคยถามเลยนะเนี่ยอ่างนั้นเขาก็พยายามจะเล่ารายละเอียดเนี่ยนะเขาต้องการมีกองทุนอย่างนั้นเขาต้องการตั้งทุนอย่างนี้เขาโอ้ยผมฟังแล้วผมก็เครียดเครียดอย่างนั้น เอาเนี่ยนะจะสับเพสัตตาจะไปว่าอะไรเนี่ยนะเอาก็ไปนั่งฟังท่านทําไมทําไมไม่รีบลากลับซะเลยล่ะก็นั่งฟังอยู่นั่นแหละท่านก็คงถามไปเรื่อยละมั่งเนี่ยนะนั่นก็ขอเดี๋ยวก็ขอน่นเดี๋ยวก็ขอนี่นก็จะป่วยเอาก็นั่งให้ท่านขอท่านก็ขอละมั่งเนี่ยนะก็เราก็บอกว่าเราไม่ให้อ่ะมันก็ถ้าเราพูดคําเดียวว่าท่านจะไปขอว่า ย, ยังไงไม่ให้อ่ะเนี่ยนะ ท่านก็ไม่ว่าอะไรหรอกผมไม่ได้เป็นหนี้เป็นศินอะไรกันที่ปักชาติปางไหนมาใช่ไหมไม่มีบทบัญญัติตัวบทกฎหมายเป็นคดีความฟ้องร้องว่าจะต้องใช้คืนนะมันไม่มีเมื่อมันไม่มีเราก็ปฏิเสธเป็นเอาบอกว่าเอาถ้าท่านมาขอบอกว่าผมปรารณาท่านไว้เท่านี้อ่ะก็บอกไปไง่ายๆบอกผมปรารณาท่านไว้เท่านี้ เออผมมีทําบุญเท่านี้ในเรื่องนี้ผมทําได้เท่านี้จริงๆผมทำกว่านี้ไม่ได้ผมมีไม่มีมันเรื่องของผมแต่เรื่องนี้ผมจะทําเท่านี้มันก็เป็นสิทธิของเราเนี่ยนะเพราะนั้นใครจะมาขม่มมาขู่มาขูดมาเร่นผิดกฎหมายผิดกฎหมายไหมผิดไหมเรื่องๆผิดสิไปข่มขู่ขู่รีดเดี๋ยวก็ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้ น, นจะมาขู่ผมได้ยัง ไ, ยงไงยังไงกั็นต้นเพราะนั้นก็ต้องพูดคุยกันให้มันดีๆเนี่ยนะแค่ไหนแล้วก็อย่างไรแต่มันก็จริงๆอ่ะนะยอมเขาก็มาเล่าให้ฟังบอกเออ ก็แล้วแต่โยมเมื่อท่านโยมก็เลือกคบเอากันแล้วกันว่าพระรูปไหนที่โยมควรคุยด้วยควรสนทนาด้วยควรฟังทำสนทนาทำก็แล้วแต่โยมแล้วการว่า้นแต่เขามาไม่เคยถามว่าคุณมีบัญชีทรัพย์สินเท่าไหร่นี่นะเอามีเท่าไหร่ก็เรื่องของคุณเงี้ยนะดันั้นคือคือบางทีมันก็อย่างว่านะพระพิสูจน์ที่ไม่รู้จักประมาณในการรับสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกันนี่นะก็ไม่รู้จักประมาณในการรับไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักพอขอแล้วขออีกขอแล้วขออีก พอกันไปถึงไหนยังก็ว่าเขาติดนี่มันชาติปางไหนก็ไม่ทราบเนี่ยนะก็เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะส่วนข้อต่อไปเนี่ยนะองค์ที่เป็นเหตุให้พระพิสุจน์เจริญในพระศาสนาก็คือเป็นผู้บูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเทระรัตตัญยูมีภรษาบวชมานาน ผู้ที่เป็นบิดาของภิกษุสงฆ์เนี่ยนะผู้นําภิกษุสงฆ์เป็นการบูชาอย่างพิเศษเป็นอย่างไรบอกว่าภิกษุในาศาสนานี้เข้าไปตั้งกายกรรมอันประกอบไปด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและลับหลังหมายคือว่าท่านมีกิจอะไรที่จะช่วยท่านได้ก็ช่วยกันไปนะนะบางทีท่านมีธุระมีอะไรมีกิจการงานมีอะไรที่ต้องบูรณะซ่อมแซมดูแลอาวาตวิหารลานพระเจดีย์เป็นต้องก็ต้องรู้จักช่วยเหลือท่านบ้าง ไอการที่เรารู้จักช่วยเหลือท่านเนี่ยนะเกื้อกูลต่อท่านท่านก็จะมีเมตตาต่อเรานะพเทระทั้งหลายเป็นผู้มีสายตาอยู่แล้วละ่ะแต่ท่านไม่มีสายตาที่ยาวไกลท่านบวชไม่ได้นานขนาดนั้นหรอก S <S <an> เนี่ยนะท่านไม่ได้อยู่ได้นานขนาดนั้นนะวันถ้าหากว่าเรารู้จักเมตตาต่อท่านเอื้อเฟื้อต่อท่านช่วยเหลือกิจของท่านยังไงท่านก็ช่วยเราท่านไม่ทิ้งเราหรอกถ้าท่านไม่กระตันอยู่รู้คนๆเนี่ยนะท่านก็ไม่ได้บวชได้นานขนาดนั้นท่านไม่เจริญขนาดนั้นท่านต้องมีมงคลอยู่ในตัวเยอะแยะแหละท่านจึงได้อยู่ได้เนิ่นนานขนาดนั้นมันเราควรที่จะมีเมตตากายกรรมต่อหน้าทั้ง เมตตากายกรรมต่อท่านทั้งต่อหน้าและรับหลังมีเมตตาวจีกรรมพูดต่อท่านด้วยความเคารพด้วยความอ่อนน้อมด้วยความยำเกรงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทั้งต่อหน้าและรับหลังไม่ใช่รับหลังโอ้ยนินทาท่านมาว่าถ้านพูดแสแหลกหมดเลยเนี่ยนะก็คืออย่างที่ว่าเอาแหะใครใครเอาเรื่องของเราไปว่าร้ายเราอยากสนับสนุนส่งเสริมไหมมีอะไรไหมเก็บอันนี้ไว้ฝากคนนั้นหน่อยในฐานะข้อหาเรื่องเรากัดข้างหลังเราตลอดเวลา เขาก็ไม่มีใครเขาทําอย่างนั้นอยู่แล้วมันเออคนนั้นเขาก็ดีนะเขาก็ยังเป็นห่วงใยเขารู้สึกเป็นห่วงเป็นใยเราบ้างเป็นต้นท่านเหล่านั้นก็อย่างว่าพระเทเรธ่างหลายอายุมากๆ ก, กันแล้วเนี่ยนะท่านมีอะไรท่านจะเก็บไว้ให้ใครเนี่ยนะท่านก็เอาไปใช้ในปาราโลกไม่ได้อะไรเข้าของพวกนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารู้จักมีเมตตาท่านท่านก็จะสงเคราะห์เอื้อเฟือ้อเอื้อกูลเนี่ยนะซึ่งหลักเหล่านี้ก็เหมือนกับลูกหลานทั้งหลายที่รู้จักมีเมตตากายกรรมต่อหน้า และรับหลังต่อพ่อต่อแม่ต่อปู่ย่าตายายเนี่ยนะมีเมตตาวจีกรรมมีเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังต่อผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันเมื่อรู้จักอ่อนน้อมรู้จักนอบน้อมรู้จักมีเมตตาเกื้อกูลต่อผู้ใหญ่ตรงนี้เราให้เรามีเมตตาต่อผู้ใหญ่ก่อนนะแล้วผู้ใหญ่จึงจะมีเมตตากับเราไม่ใช่แหมไปร้องเรียกแหมท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วท่านน่าจะเมตตาเรามั่งยิ่งพูดอย่างงี้มากยิ่งอดเนี่ยนะ ก็เท่าก็ดูหมินท่านเท่ากับเหยียดหยามท่านไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความสำคัญของท่านแล้วท่านจะสงเคราะห์เราทำไมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเ็บอกว่าผู้ใหญ่ทั้งหลายจะมีเมตตาต่อผู้ที่มีเมตตาต่อท่านแต่เมตตาของท่านก็มีทั่วๆไปละแต่ว่ากรณีพิเศษส่วนใหญ่ก็กลับ คนที่คอยเป็นห่วงเป็นใหญ่ท่านนะนะอย่างที่กขบอกว่าลูกหลานที่ได้รับมรดกคือลูกหลานประเภทไหนลูกหลานที่ดูแลให้ความสำคัญกับพ่อแม่เป็นต้นเป็นพิเศษนะนะเรียกว่ารางวัลพิเศษฉันใดผู้ที่มีใจมีเมตตาต่อพระเถระทั้งหลายเป็นต้นก็ฉันนั้นเหมือนกันเนะี่ยนะพราะฉะนั้นผู้ผู้น้อยเนี่ยต้องมีเมตากับผู้ใหญ่ให้มากๆาก แล้วผู้ใหญ่จะมีเมตตากับเราเองแต่ถ้าหากว่าแม้ร้องเรียกผู้ใหญ่น่าจะเมตตาเราอย่างนั้นน่าจะสงสารเราอย่างนี้เชื่อเธอเนี่ยนะช่วดฉลุขานถอแน่อดแน่นอนอ่ะนะไม่ได้หรอกเนี่ยนะนะยาก เพราะไร้แม้แต่เขาความเอื้อเฟื้อมีเมตตาต่อท่านก็ยังไม่มีแล้วท่านจะมีเมตตากับเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจะต้องตั้งเมตตากายกรรมต่อหน้ารับหลังตั้งเมตตาวจีกรรมต่อหน้ารับหลังตั้งเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังท่านก็จะสงเคราะห์เราด้วยธรรมะเนี่ยนะสงเคราะห์เนี่ยนให้เราเจริญงอกงามในพระศาสนาท่านก็จะช่วยสงเคราะห์เราในเรื่องของปัจจัย4ี่เราก็ไม่เดือดร้อนเราก็ไม่ลําบากในเรื่องของ ปัจจัยสีอะไรเหมาะอะไรสมอะไรควรอะไรเป็นเหตุให้เจริญในพระศาสนาท่านก็จะบอกจะกล่าวจะแนะนําอะไรที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมท่านจะคอยห้ามคอยปรามคอยปกป้องคุ้มครองคอยระวังคอยรักษาเนี่ยนะเปรียบเหมือนอโคนายโคบานรู้จักบํารุงโคหหัวหน้าฝูงแต่นี้หมายก็ว่าหัวหน้าดีอยู่แล้วนะแต่ถ้าหัวหน้าดีอยู่แล้วถ้าไม่รู้จักอย่างว่าไม่รู้จักบํารุงดูแลสายใจเนี่ยมันก็ยากแล้วล่ะ แต่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์11อประการเหล่านี้ย่อมควรที่จะเจริญโงกงามไพบู์ในพระศาสนานี้ควรที่จะเจริญโงกงามในพระธรรมวินัยนี้เนี่ยนะบทวนอีกครั้งหนึ่งนะบประการก็คือหนึ่ง ฉลาดในรูปคือภูตรูปอุปาทายรูปสองฉลาดในลักษณะของคนพาลและบันเด็จสามเขีย่ยอกุศลวิตกออกจากใจสี่ปิดแผลคือสังวรตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้บาปไห้เข้ามาห้าสมความรู้จักสแสดงทำให้คนอื่นฟังหกก็รู้จักว่ารู้จักสถานที่ที่พึ่งพิงไปสอบถามหาความรู้เพิ่มเติมได้ตลอดเวลาเจดก็มีความสุขในการฟังธรรมในการอ่านพระธรรม 8ก็รู้ว่าอะไรเป็นทางอันประกอบไปด้วยองค์8ที่พระพุทธเจ้าบอกสอน9รู้จักเจริญสติปัฏฐาน4 10เนี่ยนะ 10, ก็ขอปัจจัยคารวะก็ขอให้เหลือเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานบ้างแล้วก็ 11, ก็คือบูชาพระเถระเนี่ยนะรู้จักบูชาพระเถระ ผู้เป็นครูบาอาจารย์เคารพ บ, บูชานอบน้อมท่านตั้งเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่อนหน้ารับหลังเนีย่ยนะเพราะผู้ที่ประกอบด้วยองค์11ประการนี้จะเจริญงอกงามในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ตรัสสูตรนี้จบพิสุน์เหล่านั้นก็มีใจชื่นชมมีปีติปราโมทเพลิดเพลินโสมนัสยินดีพาสิทพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยประการชนิแลอันจบข้อความใน โคปาละกะสูตรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระพิกสุผู้นายโคบาลผู้ฉลาดบริบูรณ์ด้วยเบญจโครสเนี่ยนะฉันใดพิกษุผู้ที่ฉลาดด้วยองค์11ประการก็จะเจริญด้วยศีละขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุติขันมิมุติญาณทัศ น, นขันมันก็ขอให้พวกเราทั้งหลายเป็นผู้มีส่วนฉลาด ประดุษพระพิสุผู้ฉลาดอันประกอบด้วยองค์11ประการเจริญงอกงามในธรรมวินัยของภาษาสดานบริบูรณ์เพราะเอ่อภัยบูรณ์บริบูบบรณ์ด้วยอธิสีละขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุตติขันวิมุตติญาณทัศนคันโดยทั่วกันน่ยนะ